ก็ความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลมประปุธิญาณในวันนี้จะพูดถึงเมตตาบารมีซึ่งเบละเรียงบารมีท่านเรียงไว้อันดับที่เก้าแต่ตอนที่เป็นทศชาติก็เรียงอีกแบบหนึ่งรู้สึกไปอยู่ห้าหรือยหกเนี่ยคือประชาที่ เป็นพระสุวรรณสามโพธิสัตว์แต่ว่ามันก็ออกไปในรูปแนวเมตตานุภาพคือหมายความมาเ ม, เมตตาเข้าถึงจิตสันดานไปแล้วการแสดงออกทั้งหมดมันก็กลายเป็นเรื่องของเมตตาเรื่องการบำเพ็ญเพียรเพื่อให้เกิดเมตตาเนี่ย คือเรามองเทียบเคียงกับศีลข้อที่หนึ่งอย่างที่ว่าไว้แล้วก็มององค์รวมของโลกนะฮรับคือเราจะเห็นว่าโลกมันก็มีสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตธรรมะปฏิบัติมันก็คือการปรับท่าทีต่อสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่โดยพื้นฐานของแบบโลกนะ ก็คือเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราเป็นของเขาถ้ายอมรับนับถือสถานะของกันแลกการและสิทธิของกันแลกการมันก็กลายเป็นศีลไปโดยธรรมชาติแต่เราจะเห็นว่าเบื้องหลังของศีลนั้นมันมีเมตตาอยู่เพียงแต่ว่าอาการยังไม่เด่นแต่นั่นเองอย่างน้อยก็ ไม่ถึงกับโทสะคือปทุสลายพระ้าปทุปทสลายก็ผิดศีลพอถึงเมตตานั้นก็คือจิตมันเดินไปตามศีลนั่นเองอย่างในพระบาลีเวลาอธิบายเรื่องศีลห้าคือศีลห้าที่เราว่าเนี่ยปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาทยามินี่ไม่เคยเจอหรอกเจอไม่กี่แห่ง ที่เคยพบในพบในขุดตะกับขุดตกับอาทะแต่ว่าเวลาทรงแสดงในที่ทั่วไปเนี่ยจะแสดงเป็นรูปของบันไดที่พัฒนาคือยกระดับจิตมนุษย์ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งก็เป็นธรรมะพันศีนั่นจึงเป็นบาทเบื้องต้นซึ่งเราจะเห็นว่า ไอ้กฎหมายทั้งหลายเนี่ยมันก็สนับสนุนศีลสมมติว่าชาวโลกเรามีเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็เมตตานั้นกำลังมากพอก็จะก่อให้เกิดเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายอาญาทั้งหมดได้โดยไม่จำเป็นจะต้องไปรู้มันว่าบัญญัติไว้ยังไงบ้าง ก็เป็นการละเมิดสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองของการละกันสิทธิในการรับฟังข้อมูลข่าวสารของกนและกันมันก็เป็นการปฏิบัติที่ขาดเมตตาจิตทั้งนั้นเวลาทรงแสดงรูปศีลจึงมีสี่ช่วงสี่จังหวะจะเป็นที่น่าสังเกตนะฮะว่า เวลาแสดงรูปของกุศลกำบทกข็ข้อเดียวกันนั่นแหละแต่จะแสดงอีกแบบหนึ่งเพียงแต่ว่าข้อสุดท้ายกับข้อข้อต้ น, นจะเหมือนกันในกรณีเป็นกุศลกำบทก็จะส่งแสดงเป็นสี่สี่บันไดแต่ว่ามันมีแนวลึกลงไป หนึ่งงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองสองงดเว้นจากการใช้บุคคลอื่นฆ่าสามงดเว้นจากการยกย่องสรรเสริญผู้ฆ่าแล้วก็สี่มีใจเมตตาเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายประรยงแบบสีนเนี้ยมันก็จะพูดว่าอริยสาวก ค, คือคนดีในโลกนี้ หมเว้นจากปานาธิบาตไม่กพกพาสัจรวุธเครื่องกาหารมีความสํารวมระวังในสัตว์ทั้งหลายมีความเมตตาอินดูในสัตว์ทั้งหลายซึ่งจะเรียงอย่างไรก็ตามก็แสดงว่าขับเคลื่อนจิตไปสู่ความเมตตาอินดูคืออยู่ร่วมกันด้วยเมตตากรุณาอาศัยจิตสํานึก ที่มองกันในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยถ้าถามาเราทะเลาะกันไปทำอะไรก็ไม่รู้ทะเลาะไปทำอะไรถามมาจะแย่งอะไรก็ถามมาแย่งไปทำไมเพราะว่าเรามาอาศัยโลกชั่วคราวแล้วก็จบลงด้วยการจะจากโลกนี้ไปคือยังมองบางสิ่งบางอย่างแล้วก็มอง ว่าบางครั้งบางคราวในร่างกายมันก็แก่หงอมพระชราแล้วแต่ยังอยากได้อยากมีอยากเป็นกันรู้เกินมีฤิษยามีการแก่งแย่งมีการแข่งดีมีการขัดขวางกีดกันคนอื่นจุดว่า ง, งานบางงานเช่น ง, งานพระศาสนางานชาติบัณฑเหือมันก็ไปติดอยู่ที่ว่า พลังในการทํางานหรือไฟในการทํางานเนี่มันหมดแล้วมันยังเหลือแต่ไฟโลภไฟโทสะไฟมานะไฟโมหะแล้วเผาลนใจท่านเป็นเรื่องที่น่าน่าคิดมากนะฮะว่าเราไม่สามารถขับเคลื่อนจิตได้เดินไปสู่เมตตาในตนเองได้ซึ่งก็หมายความว่าเลิกพูดเรื่องเมตตาต่อคนอื่น พอถ้าเราไม่ตาตนเองไม่ได้ก็ไม่ตาคนอื่นไม่ได้หรอกเมตามันจึงมีฐานฐานที่เราเรียกว่าอัตตานังอุปมังกตวาเนี่ยทําตนเป็นอุปมาคือเทียบเคียงทีนี้ถ้าคนขาดเมตตาต่อตอนเองก็แสดงเห็นแก่ตัวเมื่อเห็นแก่ตัวมันก็ไม่เห็นแก่คนอื่นหรอกการเมตตาแก่ตนเองในที่สุดมันก็การเห็นแก่ตัวนี่คือปลปื้ตัวเอง แล้วก็เอาคนอื่นมาเป็นประโยชน์ตนแต่ลักษณะของเมตตาเนี่ยมันกันมองปกแผ่คือมองในรูปของการอภิบาลอบอุ้มคุ้มครองปกป้องรักษาอภิบาลจนเกิดเป็นสวัสดิการจากการทำบ้างจากการพูดบ้างหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยจิตใจก็มีความมุ่งมา่ปรารถนาที่จะเห็น การอยู่ร่วมกันโดยไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุสร้ายกันในแต่ละชีวิตอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนซึ่งเอาก็จริเนี่ยก็ทําไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะว่าเรานั้นอาจจะไม่เบียดเบียนเขาแต่เขาเองอาจจะเบิดเบียนเขาหรือสัตว์อื่นอาจจะบิดเบียนเขาหรือกรรมเขาอาจจะเพิดเบียนเขา เราก็จริงนี่เรารับผิดชอบในตัวเราว่าเรานั้นจะไม่ทําตัวเป็นพิษเป็นภัยต่อเขาส่วนนอกนั้นก็ตั้งจิตจปรารถนาปรารถนาที่จะเห็นปราปรถนาที่จะให้เขาได้เขามีก็เป็นแต่ทีนี้ถ้าเกิดได้โดยลําพังปรารถนาคนก็ไม่ต้องทําอะไรหรอกจึงเป็นการปรับสภาพจิตให้พร้อมที่จะ อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นอย่างสร้างสรรค์และสามารถแสดงเมตตาทางการทางการกระทาทางการพูดทางจิตใจออกมาได้เพราะในลัคณาทิจตุกะในวิธรมัตสังกหะเนี่ยท่านนิยามนะทานนิยามกรอกของคำว่าเมตตาเอาไว้ ว่ามีความเป็นไปในอาการเกื้อกูลเป็นลักษณะคืออย่างที่บอกว่าความรู้สึกเมตตานั้นเป็นความรู้สึกอภิบาลแต่อย่าลืมว่ากุศลและธรรมส่วนเหตุทั้งหมดเนี่ยมันเป็นมันชฌีณาธรรมหรือมัชชิมาปฏิปทาคืออยู่ตรงกลางเออเวียงไปด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยไม่ได้มันไม่เป็นธรรมะ วพราในกรณีของเมตตาเนี่ยเพิ่งสังเกตว่าที่ตรงกันข้ามกับเมตตาก็คือกิเลสประเภทโทสะเราอาจจะเรียกพยาบาทอาจจะเรียกว่าอาฆาตอาจจะเรียกว่ากโกรธอาจจะเรียกว่าปฏิทุสลายไม่พอใจไม่ยินดีหงุดหงิดรำคาญอะไ ร, รก็ตามพวกนี้ถ้ามีเมตตาจิตอยู่ไม่เกิดแต่ต้องแข็งหน่อยนะเมตตาต้องมากหนยพวกนี้ถือว่าเป็นปฏิปักษ์กรรมคือตรงกันข้าม วันยามใดที่ใจประกอบด้วยเมตตาอาการเหล่านี้จะไม่มีซึ่งก็พลานุภาพของเมตตาจะต้องมากปริมาณเนี่ยจะต้องมากเพราะพลังของกุศลเนี่ต้องขจัดอกุศลได้ถ้ายังขจัดอกุศลไม่ได้ก็เรียกยืนหยัดด้วยตัวเองไม่ได้แล้วก็จะช่วยเหลือกุศลอะไรใครยังไม่ได้ เืยจะเกื้อกูลให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่บุคคลอื่นอย่างไม่ได้แล้วในขณะเดียวกันก็มีคัาสืกใกล้ชิดซึ่งเราแยกไม่เคยออกบางชีเนี่ยโบราณเนี่ยมันมีมันมีธรรเนีย ม, มไม่ใช่มีทําเนียมก็ ม, มีเคยเจอในเอกสารโบราณ น, นะโบราณก็คงจะสักร้อยกว่าปีมาเนี่ย เขาเรียกว่ามินิยมในวงการพระเราเนี่ยก็ เ, เรียกว่าเล่นลูกสวัสดคือเอาเด็กเล็กๆเนี่ยหน้าตาดีๆโกนตุกหรือว่าอะไรมวยผมกล้าบมวยเนี่ยมาเลี้ยงดูแล้วก็มาอวดมาโชว์กันก็เล่นสารพัดนะฮะเล่นอะไรเล่นด่ามีดเล่นอะไรกันเนี่ยเยอะเลยเราดูดแล้วคล้ายๆจะเมตตานะ ที่จริงมันมีอาการของของเขาเรียกว่ากรรมราคะอาการของเปมะอาการของเยหัสิตะเปมะคำสามคําเนี่ยมันมีความเข้มข้นต่างกันกรมราคะคือความกําหนัดในทางเพศคล้ายๆเมตตานั่นแหละคือดูแลธนุถนอ ม, มอกอก่อใจอดกลัน้นอดทนนะแล้วก็พยายามที่จะปฏิบัติหนอมโอลมปฏิโลหายไปเลย แลนมีลักษณะกรรมราคะซึ่งหมายความว่าเธอต้องตอบสนองความปรารถนาของฉันถ้าไม่งั้นจะโกรธใช่ไหมลักษณะจะชัดเจนว่าถ้าเขาไม่มีตอบสนับสนองนี่จะโกรธจะถ้ายามปกติถ้ายังดีกันอยู่แยกไม่ออกว่าตรงเนี้ยท่านเมตตาหรือท่านเป็นราคะหรือกรมมราคะกรรมราคะ ค, ค่อนข้างแรงนะความรู้สึกค่อนข้างแรงเป็นความกำหนัดในทางเพศเพราะงั้น ผู้ชายอาจจะชอบผู้ชายผู้หญิงอาจจะชอบผู้หญิงผู้หญิงอาจจะชอบผู้ชายผู้ชายอาจจะชอบผู้หญิงอะไรก็ตา ม, มานะ่ะแต่ว่าดูภาพแล้วเนี่ยคล้ายๆกับเมตตามันไม่ถึงกับเชิงชู้สาวที่เด่นชัดแต่ว่าลึกๆเนี่ยมันมีความรู้สึกต้องการตอบสนองต้องการให้มีเมตติจิตด้วยต้องการ อะไรล่ะคือพะนาพนออกใจกันเป็นแน่ว่าการมรารักมากกว่าเมตตาประการที่สองเรียกเปรมะเป็นความรักเป็นความรักค่อนไปทางสินเนหามีความพอใจเพลิดเพลินยินดีแล้วต้องการได้ตอบสรองในทํานองเดียวกันเช่นตัวเองยิ้มกับ เ, เขาก็ต้องยิ้มก็ด้วยเราเองดีกับเขาก็ต้องดีกับเราด้วยอะไรต่ออะไรเนี่ย แตยังไงก็ดีกว่าปะทุลายกันน่ะนะเพียงแต่ว่ามันเป็นการเห็นแก่ตัวคือมุ่งผล ป, ปือตัวเองเนะฮะมุ่งปลปือตัวเองแต่เขาก็ต้องปืนปือตัวเองปพอถึงจุดหนึ่งก็ได้ยกเกหยรหติจิตะเปรมเป็นความรักในฐานะเป็นครอบครัวกรณีผมสังเกตว่าคนที่เป็นครอบครัวมีลูกมีเจ้าโตกันแล้ว ไม่ได้มองไปในแง่ทางเพศหรอกแต่เป็นความรักในรูปของสถาบันครอบครัวนึกถึงคนนั้นคนนี้นึกถึงความสุขทุกที่อยู่ร่วมกันมานึกถึงโลกนึกถึงตาานึกถึงความเป็ น, นอันเดียวกันนึกถึงอุปราคาที่มีต่อกันก็นึกนึกไปหลายๆเรื่องนะนะแล้วในที่สุดมันจะเกิดการประนีประนอมกันการประสานประโยชน์กันการยุติ ความขัดแย้งนะแต่ว่าจริงๆยังมีความต้องการในทางเพศอยู่แต่ไขไดดไข่หนึ่งไม่เ อ, อเื้อเฟื้อมันก็อาจจะเกิดโทสะได้โราจึงพบว่าบางทีอยู่กันจนเท่าจนแก่ฟ้องหยากันเลยอายุหกสิบแล้วกเสียนแล้วยังฟ้องหยากันอยู่นั่นก็แสดงว่ายังมีพวกความรู้สึกในทางเพศที่สูง แต่ถ้าตรงนี้เราอยู่แบบเพื่อนเท่าไรเป็นเพื่อนคู่ชีวิตที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเนี่ยมันก็อยู่ได้ก็ชวนกันเข้าวัดฟังธรรมจาศีลบาเพ็ญกุศลสาธารณะไปทําประโยชน์ไปไม่ได้ให้ความสำคัญแก่เรื่องทางเพศแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย ถ้ามันล้นมากเกินไปความรู้สึกตัวนี้ล้นมากเกินไปเมตตาจนไม่ดูตามาตะเรือนะการเมตตาหน้ามึดมันจะกลายเป็นอาการอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าชันถากติคือความลำเอียงเพราะมีความรักใคร่ผูกพันและอย่าลืมเรื่องเชื่อมโยงว่ามันอาจจะไม่ผูกพันกับเราโดยตรงเช่นว่าหลานของเพื่อน หรืออาจจะหลานของเพื่อนของเพื่อนหรืออาจจะลูกของเพื่อนของเพื่อนเนี่ยต่อกันไปได้เชื่อมโยงได้มาจากประเทศเดียวกันมาจากอะไรเดียวกันนานมาแล้วท่านเล่าให้ฟังถึงว่ากัมมันคนหนึ่งเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยก็มีปลามาวางอยู่นอกชานเนี่ยสองตัวบ้างสี่ตัวบ้างสามตัวบ้างห้าตัวบ้างแปดตัวบ้างบางวันเยอะ แกก็รรสงสัยไม่รู้ใครเอามาวางไว้แต่ก็กินเข้าไปเยอะกินทุกวันนั้น่อมาเนี่ยคนจีนจับขโมยได้ขโมยไปเรียกไปกู้ใส่ที่กระดักปลาไว้จับมามอบกบนันกานันขึ้นเสียงดุด่าใหญ่เลยเป็นราษฎรเด็กหนุ่มในหมู่บ้านนั่นเองไอ้หนุ่มมันไม่ว่าอะไรหรอก เราได้สองตัวเราก็ให้หนึ่งตัวได้สี่ตัวก็ให้สองตัวได้ห้าตัวก็ให้สามตัวได้หกตัวก็ให้สามตัวได้เจ็ดตัวก็ให้สี่ตัวก็ว่าไปเรื่อยนะจังตอนนี่มันพูดอะไรมันนึกไปนึกมานึกต็มตัวเออสงสัยไอ้ปลาที่นอกจานนั่นเองชักเอียงแล้วไปละพอไปกินคนแล้วกํานันก็เอียงเลยสักถามไปสักถามมา ก็จดลงโดยการไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นขโมยจริงหรือเปล่าก็ยกฟ้องไอ้หนุ่มก็เห็นว่าเป็นลูกน้องกำนันแล้วก็ชักจะกลางหน่อยเลยปาบ้านกำเ่ปาบ้านอคนจีนที่จับกันเลยคนจีนก็ไปฟ้องกำนันอีก การันต์มันเอียงไปแล้วคือฉันทาคติที่จริงก็คือรักนะ่ะรักในฐานะเป็นพวกแล้วก็ให้ประโยชน์เห็นไหมตัวเองได้ประโยชน์คือกินปลาของเขาแล้วก็ผูกพัน์ทางใจตล้วในที่สุดก็สอบถามทราบความว่ายัางไม่มีอะไรเสียหายคนเธอแกก็วินิจฉัยว่าคนไทยปลาเรือนคนจีนไม่มีอะไรเสียหาย ก็ให้ยกฟ้องไปคนจีนก็บอกว่ า, วาขโมยปลาก็ยกฟ้องปลาบ้านยังยกฟ้องอีกเดี๋ยวก็โกรกขึ้นมาก็ไปปลาบ้านไอ้นุ่มนั่นด้วยก็ไม่ถึงก็เสียหายอะไรมากหรอกไอ้นุ่มก็ไปหาลูกพี่แต่ทีนี้มันเป็นลูกพี่จะ่ละนั่นก็เรียกมาสอบสวนก็เข้าข้างอ่ะ ตัดสินว่าคนจีนปลาเรือนคนไทยผีเรือนตกใจให้ปรับสิบตำลึงเวลาคนไทยปลาเรือนคนจีนไม่มีอะไรตกใจตัวคนไทยปลาตัวคนจีนปลาเรือนคนไทยเกิดผีเรือนตกใจขึ้นมาเข้าของไม่เสียหายเนี่ยคือลักษณะลาเอียงบุเมตตาจริงจริงเนี่ยมันไม่ใช่ดูได้ง่ายมันเป็นธรรมะปฏิบัติในส่วนตัวเอง แต่ ว, ว่าการกระทำของบุคคลอื่นนั้นไม่ใช่ตัดสินแบบง่ายๆนะอย่างที่โบราณท่านเสือนท่านสอนเอาไว้นะฮะคนปริ้นพูดหวานคนผ่านพูดมากเพราะอยากได้คนที่ต้องการรอบผูกผลประโยชน์ทั้งหลายเนะี่ยพูดเพราะทั้งนั้นนะฮะแล้วก็แสดงว่าเมตตาหวังดีมุ่งประโยชน์เกื้อกูลเรา ถเราอ่อนไหวมันก็อ่อนไหวเลยเพราะาไอลักษณะตัว น, นี้ต้องไม่อ่อนไหวสําหรับการแสดงของบุคคลอื่นแต่ว่าตนเองนั้นหนักในตัวเมตตาเพราะจริงมันคือกระบวนการของกรรมบา ร, รมีมันคือกุศลกรรมนะเป็นการเพิ่มกุศลกรรมขึ้นแล้วก็ผลจากเมตตานั้นมีอันนําประโยชน์เข้าไปปิดกิจคือ น, นําประโยชน์ไปให้แกค่คนอื่นคนอื่นได้รับประโยชน์จากบุคคลนั้น นเมตาทางกายกรรมช่วยเหลือแบ่งเบาภารกิจการงานกันเมตาทางว จ, จีกรรมก็ช่วยแนะนําบอกกล่าวในสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ให้คนอื่นก็ทราบคนฟังก็ได้รับประโยชน์จากเมตาตรงนั้นซึ่งในกรณีเนี้เราจะเห็นว่ามันกลายเป็นเครื่องมือในการพิสูจน์ทดสอบแต่ว่าบางครั้งเนี่ย คนสงเคราะห์เราคือเรื่องบางเรื่องย ม, มั น, ม, นมันไม่ได้ประโยชน์อะไรอย่างที่ในกนรณีข่าวสงคราะหเวียดนามนะวเวียดอเมริกาไปก็เรียกสร้างมนุษยสัมพันธ์กับชาวเวียดนามเอาเครื่องสุขพัณธ์ยี่ห้อสแตนดาร์ดเนี่ยไปแจกให้ชาวนานาประปาก็ไม่มีไครฟ้าก็ไม่มีใช้เครื่องสุขพัณธ์สแตนดาร์ดชักโครกนะไม่รู้จะใช้ยังไงเหมือนกัน มันคือสงเคราะห์ด้วยสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ถ้าแกก็คงจะต้องขนไปขายนะนะต้องเสียค่ารถไปอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นการแสดงออกซึ่งเมตตาเนี่ยจึงนำผลประโยชน์เข้าไปสู่คนที่เราเมตตาตามปกติเราไม่ค่อยเรียกพระพุทธเจ้าว่าทงมีเมตตานะเราเรียกว่าการุณาแต่เอนดูเนี่ยเอดูก็คือการุณานะเราแสดงดของการุณา และภารกิจที่จะต้องดูที่จิตก็คือการจัดความอาฆาตความพยาบาทความโกรธความปัทุสไรความไม่พอใจความหงุดหงิดความรำคาญนอะไรต่อเนี้ยก็จัดเอาไปได้ข้อนี้ลองดูตัวอย่างนะฮะว่าเราเมตตาใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราจะอดทนเขาได้โดยอัตโนมัติเราจะอภัยเขาได้โดยอัตโนมัติเราจะรู้สึกเมตตาเอ็นดูเขาเป็นธรรมดา บางทีก็เกล้วก็รุนแรงก็หยาบคายแล้วก็มองเขาด้วยความเข้าใจเห็นใจให้อภัยรวจแสดงว่าไอ้ความโกรธความมาฆาตความพยาบาทต่างๆมันถูกกระจัดไปที่จริงพวกนี้มันเป็นทวิภาวะโดยธรรมชาตินะอย่างที่เคยยกตัวอย่างไว้เสมอว่ามันเป็นความจริงคนละด้านแต่ปรากฏในที่เดียวกันได้แต่คนต่างเวลากันนะเออคลายกับความมืดกับแสงสว่างเนี่ยมันเป็นทวิภวะ เนความจริงสองด้านแล้วก็ปรากฏในที่เดียวกันได้แต่ว่าคนละเวลาในขณะเดียวกันในจุดเดียวกันจะมืดด้วยสว่างด้วยนี่ไม่ได้มืดก็ต้องไม่สว่างถ้าสว่างก็ต้องไม่มืดพลบรธรรมีทำมันเมตตานี่มันทำหน้าที่ขจัดอาคตาไปโดยธรรมชาติของเ ข, ขากิเลสสายโทสะพูดง่ายนะกิเลสสายโทสะ โการฆ่ากะทิเคยยกตัวอย่างเรื่องศีลเรื่องทานเรื่องอะไรก็ต า, ามเรื่องศรัทธาเ น, นี่ยมันทั้งหมดมันก็เกิดปับ๊บเนี่ยไอสิ่งตรงกันข้ามมันหมดไปทันทีเปลี่ยนแต่ว่าเราจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองต้องฟังทั้งหลายแต่หลวโพธิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจี่มีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี